ต่อไปนี้จะเป็นการรับฟังธรรมะอนาตตาเทศโดยหลวงพ่อทีวิจิตธรรมะด้วยการกระทำการแปลเทศภาษาไทยเป็นภาษาไทยแม้ภาษาบาลีบางคำซึ่งเป็นภาษาบาลีของพอมา่าแต่ออกเสียงเป็นภาษาไทยของหลวงพ่อจึงขอให้ผู้ฟังธรรมได้ทำการเทียบเคียงภาษาด้วยหากผิดพลาดประการใดต่อพระธรรม ข้าพเจ้าข อ, อน้อมอดโทษต่อครูอาจารย์โปรดยกโทษหากกระทาผิดต่อการครั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อศาสนาธรรมอนาตตาเพื่อการบรรลุมรรคผลที่แจ่มแจ้งต่อผู้ประพฤติธปฏิบัติธรรมวิปัสนาหาเห็นตัดถึงธรรมอนาตตาแก่ทุกท่านเทอหลวงพ่อทีวิจิตธรรมะ ผู้อนุญาตในการแปลและอ่านธรรมะมาลา